บทนี้จะได้แก้ไขในองค์อริยมรรคมรบหว่าด้วยสมาอาชีโวนั้นสืบต่อไปกิริยาที่เว้นจากการค้าขายเลี้ยงชีวิตผิดธรรมนั้นคือเลี้ยงชีวิตด้วยค้าขายห้าประการสัตตาวนิชาคือขายมนุษย์เมื่อซื้อเอามาแต่ค่าน้อยเมื่อขายเอาค่าขึ้นให้มากเอาทรัพย์นั้นมาเลี้ยงชีวิตก็ดี สัตธาวานิชาคือขายหอกดาบสตราวุธทั้งปวงอันจะประหารชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นและเอาทรัพนั้นมาเลี้ยงชีวิตก็ดีมังสววาวนิชาคือเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเป็นอาธิคือเนื้อและสุกรเป็ดไก่ไว้แล้วและฆ่าเองก็ดีให้ผู้อื่นฆ่าเองก็ดีขายเอาทรัพนั้นมาเลี้ยงชีวิต มัชชาวนิชาคือขายน้ำเมาเป็นต้นว่าสุราและเมรยัยเอาทรัพย์นั้นมาเลี้ยงชีวิตก็ดีวีสาวานิชาคือประกอบยาพิษอันจะฆ่าชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายขายเอาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตค้าขายห้าประการนี้แม้กระทําแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีก็เป็นมิจฉาอาชีวะ ชื่อว่าเลี้ยงชีวิตอันผิด ธ, ธรรมประการหนึ่งบุคคลผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยค้าขายอันประกอบไปด้วยตุลากูตะเกียดตกันด้วยช่างนั้นมีสี่ประการรูปากูตะกระทำช่างนั้นให้เหมือนกันแต่ว่าอันหนึ่งเบาอันหนึ่งหนักเมื่อจะช่างของผู้อื่นนั้นเอาช่างอันหนัก เมื่อจะช่างของแห่งตนให้แก่ผู้อื่นนั้นเอาช่างอันเบานั้นช่างให้ประการหนึ่งกระทำเกียรติกันด้วยมือเมื่อจะช่างเอาของแห่งคนอื่นนั้นถือซึ่งตราชูขึ้นไว้เอานิ้วก้อยกดปลายช่างลงไว้เมื่อจะช่างของให้คนอื่นเอานิ้วก้อยไว้ข้างหัวช่างกดหัวช่างลง ประการหนึ่งขหนากูตังคือว่าเกียรติกันด้วยถือตราช่างเมื่อจะช่างของผู้อื่นนั้นจับไว้ให้มั่นมิให้ช่างนั้นหกลงเมื่อจะช่างของตนให้ผู้อื่นนั้นจับช่างที่สุดไว้ให้หัวช่างนั้นหนักลงประการหนึ่งปฏิชนะกูตังคือเกียรติกันด้วยอันรับไว้นั้น กระทำแล้วรวงข้างในให้เป็นช่องดุดปล้องแห่งไม้ไผ่นั้นแล้วเอาจุนเหล็กหรือประรอดใส่ไว้ข้างในนั้นเมื่อจะช่างของผู้อื่นให้จุนเหล็กและประรอดกลิ้งเข้ามาอยู่ข้างท้ายช่างเมื่อจะช่างขายให้ประรอดและจุนนั้นกลิ้งเข้าไปอยู่หัวช่างบุคคลผู้ใดซื้อขายด้วยกลมายาเอาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิต ก็ได้ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะว่าเลี้ยงชีวิตผิดธรรมประการหนึ่งอัทยาเพโทคือบุคคลถือทนานตวงน้ำมันน้ำมันเหนื่อยก็ดีสัปปินาวนีตะน้ำอ้อยเหลวน้ำตาเหลวนั้นก็ดีเมื่อตวงของผู้อื่นนั้นคือเอาทนานใส่ไว้ในภาชนะแห่งตน เมื่อเอาสับปีตักใส่ทนานเพื่อนิ้วมืออันปิดก้นทนานนั้นออกให้ไหลลงในภาชนะแห่งตนเมื่อจะตวงของตนให้แก่ผู้อื่นนั้นเอานิ้วมือกดทนานไว้ให้มั่นมิให้ไหลออกได้แล้วก็ให้แก่ผู้อื่นประการหนึ่งสิกขาเพโทคือตวงถั่วงาเข้าเปลือกและเข้าสารด้วยทนานก็ดี กระบุงกระเชิดและสัตว์นั้นก็ดีเมื่อตวงของผู้อื่นนั้นค่อยเทลงในสัตว์ลัทนานแต่ละน้อยละน้อยเมื่อจะตวงของตนให้แก่ผู้อื่นนั้นเทลงทีเดียวให้เต็มสัตว์แล้วให้แก่ผู้อื่นบุคคลผู้ใดค้าขายด้วยถือช่างลัทนานด้วยเล่กลมารยาดังนี้เอาทรัพย์นั้นมาเลี้ยงชีวิตก็ได้ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะ ประการหนึ่งรัชุเพโทคือวัดไรนาเอาสินจ้างครั้นชนทั้งหลายให้สินจ้างแก่ตนแม้มากก็วัดให้น้อยครั้นไม่ได้สินจ้างแม้น้อยก็วัดให้มากออกไปประการหนึ่งเป็นตุลาการชำระความครั้นผู้ใดให้สินจ้างก็ยอมให้ผู้นั้นชนะเอาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตแห่งตน ก็ได้ชื่อว่ามิชาอาชีวะประการหนึ่งกังสา ก, กูตังคือเกียรตกล่อลวงทำภาชนะทองคำไว้สหรับหนึ่งและภาชนะทองเหลืองเป็นอันมากแล้วก็แต่งอาบเคลือบให้มีพันธะเหมือนทองคำแล้วเอาไปขายเมื่อจะขีดให้เขาดูนั้นก็เอาภาชนะทองคำนั้นขีดฝนให้ดูก่อน เมื่อจะให้ก็ให้ภาชนะอันไม่ใช่ทองคำนั้นไปให้แก่ผู้นั้นกระทากลมายาค้าขายเอาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตดังนี้ได้ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะประการหนึ่งวันจนาคือล่อลวงได้เล่กลมายาอุบายดุดว่าไว้ในธรรมเนียบดังนี้ว่าปลาเนื้อผู้หนึ่งได้เนื้อมาสองตัว ตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งน้อยเอามาว่าจะขายชายนักเลงผู้หนึ่งจะซือ้อจึงถามราคาเนื้อนั้นว่าเนื้อตัวใหญ่นี้ราคาเท่าใดตัวน้อยนี้ราคาเท่าใดพราเนื้อจึงบอกว่าราคาเนื active, ้อตัวใหญ่นั้นสองกะหาปณะลูกเนื้อนั้นจะขายกะหาปณะหนึ่งนักเลงนั้นก็ให้เงินกหาปณะหนึ่งก็ซื้อเอาลูกเนื้อนั as, ハハ้นไปหน่อยหนึ่ง แล้วก็กลับมาว่าแกนายพรานเนื้อนั้นเรามิพึงพอใจลูกเนื้อนี้เราจะซื้อเอาตัวใหญ่นั้นพรานจึงว่าท่านเอาซับมาให้แกรอสองกะหาปณะแล้วก็เอาเนื้อตัวใหญ่นี้ไปเถิดนักเลงผู้นั้นจึงว่ารับเราให้แก่ท่านแต่ก่อนกหาปณะห น, หนึ่งแล้วและลูกเนื้อราคากะหาปณะห น, หนึ่งก็พอครบสองกหาปณะแล้ว ท่านเอาลูกเนื้อนี้ไปจงให้เนื้อตัวใหญ่นี้แกเราเถิดพราเนื้อผู้นั้นไม่ได้ฉลาดในถ้อยคำก็เห็นว่านักเลงนั้นว่าชอบก็เอาลูกเนื้อนั้นไว้แล้วก็ส่งเนื้อตัวใหญ่ให้แก่นักเลงผู้นั้นพราเนื้อจะได้ซับราคาเนื้อสองกหาปนะมิได้ได้แต่กหาปนะหนึ่งกิริยาว่าบุคคลผู้ใดล่อลวงดังนี้ เอาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตแห่งตนชื่อว่ามิจฉาอาชีวะประการหนึ่งบุคคลผู้ใดกระทําโจรกรรมคือปล้นวิ่งชิงโฉกขโมยปล้นสะดมขมเหงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตแห่งตนดังนี้ก็ได้ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะสมเด็จพระสันเพชรพุท ธ, ทธเจ้า เมื่อตรัสเทสนาสัมมาอาชีวโว อ, อันเลี้ยงชีวิตชอบธรรมนั้นก็ตรัสเทสนามิจฉาอาชีวะอันเลี้ยงชีวิตผิดธรรมนี้ให้รู้ก่อนดุดบุคคลอันจะบอกหนทางอันปราศจากภัยก็บอกหนทางอันประกอบด้วยภัยให้รู้ก่อนครันเว้นจากหนทางอันประกอบด้วยภัยนั้นก็เป็นหนทางอันปราศจากภัยและมีอุปมาฉันใด ประพติเลี้ยงชีวิตอันเว้นจากมิจฉาอาชีวะนิสียแล้วก็ได้ชื่อว่าสัมมาอาชีโวมีอุปมาดุดนั้นค้าขายโดยชอบทำเลี้ยงชีวิตนี้ก็มีดุจพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพ่อคาเครื่องประดับนามบัญญัติชื่อว่าเสรีวะพาณิชย์เหตุว่าอยู่ในเมืองเสรีวะนครนั้นเทวทัตนั้น บังเกิดเป็นพ่อค้ามีนามบัญญัติดุจพระโพธิสัตว์นั้นพ่อค้าทั้งสองนั้นก็ข้าแม่น้าชื่อว่านิลพาหาไปถึงอันทาบอุรานครเทวทัตนั้นเข้าไปก่อนร้องขายเครื่องประดับไปถึงตระกูลเศรษฐีแห่งหนึ่งกิริยาวาตระกูลนั้นมีทรัพ์สมบัติอันชิบหายสิ้นแล้วแต่ยังยายกับลานสองคน นางกุมารีผู้หลานนั้นอ้อนวอนยายให้ซื้อเครื่องประดับก็เรียกเทวทัตพาณิชเข้าไปจึงเอาถาดทองคำใบหนึ่งเป็นของเก่ามัวหมองก็ไม่ได้รู้จักว่าทองคำนำมาให้เทวทัตนั้นดูแล้วว่าท่านเอาถาดใบนี้ไปจงให้สร้อยแก่นางกุมารีผู้นี้ตามแต่ท่านจะให้เถิดเทวทัตพาณิชนั้นจับเอาถาดทองมาแล้ว จึงเอาเข็มขีดดูก็รู้ว่าถาดนั้นเป็นทองคำควรค่าได้หมื่นตำลึงก็บังเกิดโลภะเจตนาว่าเจ้าของมิรู้ได้ว่าถาดทองคำจำอัตมาจะลวงเอาถาดทองคำนี้เถิดจึงกล่าวว่าถาดนี้เป็นถาดชั่วถอยเป็นราคาก็มิได้ถึงกึ่งมาศ ก, ก็วางถาดนั้นลงไว้และไปเร่ขายในที่อื่น จึงพระโพธิสัตย์พาณิชก็ร้องขายสร้อยมาถึงตระกูลที่ยายหลานอยู่นั้นก็เรียกพาณิชโพธิสัตย์เข้าไปจึงเอาถาดนั้นมาให้กล่าวว่าท่านจงเอาถาดนี้ไปจงให้สร้อยแกนางกุมารีนี้ตามแต่ท่านจะให้เถิดพระโพธิสัตย์พ่อค้าเอาถาดนั้นมาพิจารณาดูก็รู้ว่าทองคําควรค่าได้มื่นตำลึงจึงบอกตามความจริงว่า ถาดของแม่นี้เป็นราคาถึงหมื่นหนึ่งซับทั้งปวงของข้ามิได้ควรค่าถาดทองของแม่ส่วนยายจึงว่าพาณิชย์คนก่อนนั้นกล่าวว่าถาดนี้ชั่วถอยจะเป็นค่าก็มิได้ถึงกึ่งมาศวางถาดนี้ลงไว้เสียบัดนี้ถาดนี้เป็นทองคําควรค่าได้หมื่นตําลึงดังนี้เป็นด้วยบุญของท่านเอง ท่านจงเอาถาดนี้ไปเถิดจงให้สร้อยแกนางกุมารีนั้นตามแต่ท่านจะให้เถิดพระโพธิสัตว์จึงเอาทรัพย์ที่ตนนั้นห้าร้อยและเครื่องประดับทั้งปวงเป็นราคาห้าร้อยกหาปณะนะคิดเป็นทรัพย์พันหนึ่งให้แก่ยายหลานนั้นแล้วก็เอาถาดทองนั้นไปด้วยฉับพลันให้ทรัพย์8กหาปณะนะแก่เจ้าของเรือจ้างให้ส่งข้ามแม่น้ำไป หมายเหตุเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ท่านให้ทรัพย์ที่ท่านมีทั้งหมดในเวลานั้นแล้วไม่ใช่การเอาเปรียบด้วยการเอาของราคาน้อยไปแลกกับทองซึ่งมีราคามากกว่าหลายเท่านะครับฝ่ายเทวทัตพาณิสนั้นก็กลับมาสู่สกานนั่นอีกจึงว่าแกยายหลานว่าท่านจงเอาถาดมาให้แกเราเถิดเราจะให้ส้อย ยายหลานจึงว่าท่านว่าถาดนี้ชั่วถอยเสียแล้วปัดนี้พาณิชย์ผู้หนึ่งเป็นธรรมมาพาณิให้ทรัพย์แก่เราพันหนึ่งจึงเอาถาดนั้นไปแล้วป่ายเทวทัตพาณิชย์ครั้นได้ฟังวาจาดังนั้นก็บังเกิดโศกาโดนยิ่งนักมารำพึงคิดว่าอาตมานี่มาชิบหายเสียจากถาดทองอันควรค่าได้หมื่นหนึ่งแล้ว ครรนรำพึงไปก็ไม่อาจาสามารถจะดำรงสติสมฤดีได้ก็เรียรายทรัพ์ของตนเสียในประตูบ้านนั้นแล้วซัดผ้านุงผ้าห่มเสียแล้วก็ช่วยได้ไม้คันช่างเป็นตะบองไปตามพระโพธิสัตว์ไปถึงริมฝั่งนาทีร้องเรียกเจ้าของเรือจ้างให้ข้ามรับเจ้าของเรือจ้างก็ไม่ได้กลับเทวทัตก็ขึ้นโกรธนัก สำรอกโลหิตออกแล้วก็กระทากาลากิริยาตายในสถานที่นั้นแท้จริงเมื่อเทวทัตจะกระทากาลากิริยาจึงกำเอาทรายมาเต็มกำมือแล้วก็ผูกเวลาอาคาตแก่พระโพทธทสัตว์จำเดิมแต่ชาตินั้นมาเนื้อความนี้มีพิสดารอยู่ในเสรีวาชาดกนั้น บุคคลผู้เป็นพาณิชย์ค้าขายเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมเจ้าของยกให้เองดุจพระโพธิสัตว์นี้ก็ได้ชื่อว่าสัมมาอาชีโวนี่หละปัจจยญาตานาทิปดีทั้งปวงพึงเข้าใจเถิดว่าเลี้ยงชีวิตโดยยกโดยธรรมนี้มิได้ช่อเอาของท่านผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตก็ได้ชื่อว่าสัมมาอาชีโว ประการหนึ่งบุคคลผู้ค้าขายตามประเทศคือประเทศแห่งหนึง่งสินค้าถูกประเทศแห่งหนึง่งสินค้าแพงและซื้อสินค้าแต่ประเทศอันถูกไปขายในประเทศอันแพงและได้ทรัพย์มากก็หาโทษไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าสัมมาอาชีโวประการหนึ่ง นักปรารผููมีวิจารณาปัญญาพึงเข้าใจเถิดว่าสัมมาอาชีวะเป็นปฏิปักษ์แก่มิจฉาอาชีวะโดยในดังวิสัชนามาชนี้บทสัมมาอาชีวโวก็เสร็จแล้วแต่เท่านี้